ท่านฟังที่เครพคะเราอยู่ในช่วงเวลาของรายการสัรจณีสนทนากันนะคะเช้าตรู่ที่ทางสถานีวิทยุ FM 106และสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติมาพบกันด้วยการน้อมนำเอาพุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธโอด์มาให้ท่านผู้ฟังได้มีโอกาสเข้าถึงและที่ฉันเชื่อนะคะว่าคงจะหาฟัง ไม่ได้ง่ายนักโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นพระสูตรล้วนๆอย่างเช่นที่ท่านมาร์คหรือพระมาร์คชาควโรวัณนาปภงลำลูกาคลองสิทธิ์ได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้เชกเช่นเดียวกับการที่ได้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะในช่วงที่พระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนจะมาพบกับท่านฝั่งต่อไปนี้เช่นเดียวกันนะคะน้อมสักการค่ะท่านค่ะอาจารย์พายค่ะเราออกจากธรรมีครับสัถูกกันแล้วใช่ไหมคะสาหรับวันนี้ ใช่ๆท่านฟังที่เพิ่งฟังรายการขออนุญาตนิดนึงนะคะเออเรากำลังพาท่านไปสังเวชนิยสถานสถานที่สำคัญขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มมาจากพุทธคยาที่ตรัสรู้แล้วก็มาที่ประกาศธรรมหรือว่าประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกพระอาจารย์ไพบูตรบอกว่าเป็นการแสดงธรรมเป็นการแรกของพระพุทธเจ้าใช่หคะทีนี้วันนี้ เราตัดตอนไปเร็วจังเลยไปที่กุสินาราสถานที่ปรินิพานอยากทราบว่าเพราะเหตุใดกุสินาราจึงถือว่าเป็นสถานที่สําคัญขนาดเป็นสังเวชนียสถานคะท่านคะเพราะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อ๋อค่ะคือทุกที่นี่พระพุทธเจ้าตรัสไม่หมดถูกไหมคะใช่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก่อนปรินิพานบอกว่าสถานที่สี่สถานที่นี้อต่ถ้าใครก็ตามมาด้วยศรัทธาหนึ่งมาด้วยศรัทธาสอง มีความสังเวชมาแล้วนะมีศรัทธามาแล้วเกิดความสังเวชว่าตถาคตได้ตรัสรู้ที่นี่มีความศรัทธามีความสังเวชว่าตถาคตได้แสดงธรรมจากที่นี่มีความศรัทธามีความสังเวชว่าตถาคตได้ปริณิพันที่นี่มีความศรัทธามีความสังเวชว่าตถาคตได้ประสศุที่นี่เนี่ยเธอเนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นผู้น่าเจริญใจ <dle. S 2> เพราะว่าพระอนนท์เนี่ยได้มาตรถานพระพุทธเจ้าบอกว่าเอ๊พิกษุที่น่าเจริญใจที่มหาพระพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุอยู่เนี่ยถ้าพระองค์จะไม่ได้เห็นพิสูตเหล่านั้นจะทํายังไงดีพระพุทธเจ้าเลยให้กุศโลบายในการแก้ปัญหาไว้ก็ให้ไปตามสีสถานที่นี้แหละถ้าใครก็ตามมีศรัทธามีสังเวมีความสังเวชมานะในสีสถานที่นี้ก็โอเคละอืมอืมค่ะก็นี่นก็เลยกุศินาราก็เลยมีความสําคัญเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างนี้ค่ะ แล้วทีนี้โดยโดยโนัยยะของธรรมะเนี่ยามาจะเพิ่มให้นิดหนึ่งว่าอสถานที่สามสถานที่ที่พระพิสุทเนี่ยจะไม่มีทางลืมนะคือคือสําหรับอพรุระเจ้าเปรียบเทียบกับพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะไม่มีทางลืมสถานที่เกิดของตัวเองอพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยจะไม่มีทางลืมสถานที่ที่ตัวเองได้รับการมูรธาพิเศษ พระเจ้าจักรพรรดิจะไม่มีทางลืมสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยได้ปราบฆ่าศึกอันราบคาเรียบร้อยสถานที่นั้นจะไม่ลืมคือได้ประสบชัยชนะอันยิ่งใหญ่คเหมือนภิกษุเนี่ยจะไม่ลืมสามสถานที่นี้ของตัวเองคือหนึ่งสถานที่ที่ตัวเองบวชสองสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยได้บรรลุโสดาบันกับสามสถานที่ที่ตัวเองได้บรรลุเป็นพระอรันแต่ไม่ลืมสามสถานที่นี้อืมคเพราะฉะนั้น อนอกจากสามสถานที่ของตัวพิสูจนนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีสีสถานที่นี้ที่พระรุธเจ้าได้ตรัสถึงว่าถ้าใครมาเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีความสังเวชแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ที่น่าเจริญใจอืมค่ะอันนี้ใช้คําว่าน่าจเจริญใจพระรุจเจ้าใช้คําว่าน่าจเจริญใจค่ะกไปที่กุสินารากุสินาราก็ได้ความได้เป็นผู้ที่น่าจเจริญใจถ้าเรามีความศรัทธาแล้วก็มีความสังเวชอย่างนั้นถ้าอาจารย์ได้ไปแล้ว ดิฉันเองก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนไปก็ <c oughs> <c oughs> ก็ทั้งศรัทธาแล้วทั้งสังเวชไปมาสองรอบเหมือนกันค่ะ <c oughs> แต่ว่าเหมือนกับหลายๆคนนะคะดิฉันยังไม่ค่อยรู้เรื่องของพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ปรินิพานค่ะทีนี้ก่อนการปรินิพานเนี่ยมีเรื่องเกรดเล็กเกรดน้อยอย่างที่ท่านมาได้ได้อธิบายได้เล่าในตอนต้นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงแม้จะอายุ80ปี80ดสิบศาแล้วเนี่ย พระรูปเจ้าใช้คำว่าความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นแห่งปัญญาอันเฉียบแหลมว่องไวของตถาคตก็ม่ได้มีที่ดูเป็นคนเป็นแบบเรียกว่าจะมันลืมธรรมะที่ตัวเองเคยพูดสอนไปไม่มีถึงแม้คนเนี่ยจะเอาหามเราไปด้วยเตียงเตียงหน่อยๆคือสำหรับเปรคนไข้นี่นะความลืมธรรมะพูดตอบไม่ได้ถามแล้วนิ่งอะไรไม่มีรมพระรูะเจ้าเฉียบแหลมมากในเรื่องปัญญา เรียกว่าอาทรงเขาเรียกอะไรคะชราแต่พระวรากายอาแต่พระสติปัญญานั้นยิ่งใสเหมือนเดิมยังเหมือนเดิ ม, มค่ะถึงแม้ว่าจะอายุ80แล้วสําหรับคนในยุคเก่านี่80นี่น่าคิดนะคะอฮะคถามว่าทําได้ยังไงคนจะทําได้ยังไงเพราะว่าคนแสดงว่าคนนั้นต้องเข้าสมาธิอยู่ตลอดอนึกออกไหมต้องจิตนี้เป็นสมาธิอยู่ตลอดเลยค่ะอแล้วก็อ แต่ในขณะเดียวกันอร่างกายของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เขาเรียกว่าพระอานนท์ใช้คำว่าเหี่ยวย่อหย่อนยานมีพระองค์คล้อมไปข้างหน้าคือ <Okay. S 1> ตัวคอมะนะ <Okay. S 1> แล้วก็ผิวกายอะไรต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปหมด mm hmm. ก็เหมือนกับคนทั่วไป <Okay. S 1> เป็นอย่างนั้นค่ะ okay. โอ้นะคะ <laughs> นึกแล้วเห็นภาพพอเห็นภาพแล้วเราก็ต้องอถึงแม้เป็นพระพุทธเจ้า แต่ว่าในเรื่องของร่างกายก็ไม่ได้ผิดประจากคนธรรมดานะคะคนกะแก่ๆ ม, มากๆบางคนเนี่ยจํานวนมากด้วยซ้ำกระดูกจะ ง, งอหนังก็เหี่ยวอันนี้เป็นธรรมดาไม่แก่มากยังเหี่ยวเลยค่ะใช่พระรัชาบอกว่าอ่มันต้องเป็นอย่างนั้นความชรามีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความเจ็บไข้มีซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตค่ะแต่พระสติปัญญานั้นไม่มีทางลืมธรรมะเลยเฉียบคมมากแม้ถ้าอืม <c oughs> ทำได้ไงก็จะดีมากคือถ้ารอยุคแปดสิบเก้าสิบแล้วไม่ลืมอะไรเลยนี่นะถามมาปุ๊บตอบพวกได้เหมือนเดิมอย่างที่ทำตอนนี้ได้แม่จะดีมากค่ะนี่เป็นเกรดขณะที่มีประชชนที่แปดสิบพรรษาก่อนจากปรินิพานใช่ใช่นะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในช่วงที่ทรงชาราภาพเนี่ยในปีนั้นก็มีข้อสังเกตว่ า, าได้ยังคุยได้ยังทรงตรัสกับพระสารีบุตรอยู่ แต่พระสารีบุตรเนี่ยป ร, รินิพพานของพระพุทธเจ้าแ <Okay. S 2> สดงว่าในช่วงสิบแปดเดือนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่โอ้โหพระสารีบุตรก็ป ร, ริ น, นิพพานพระโมคคัลลานะก็ป ร, รินิพพานพระเจ้าประเสนที่โกรศนก็จากไปแล้วพระพุทธเจ้าก็มาจากไปอย่างงี้ทั้ง <Okay. S 2> ในปีเป็นปีเดียวกันหมดเลยประมาณช่วงสิบสองถึงสิบแปดเดือนนั้น <Okay. S 2> อืเป็นเป็นช่วงปีหนึ่งที่ว่ามีแต่คนที่จากไปจากไปจากไปเป็นข้อสังเกตอย่างเลยอืง ก่อนพระพุทธเจ้าทั้งนั้นภายในระยะเวลา18เดือนเนี่ยนะคะช่วงสิบสองถึงสิเดือนนั้นคือคในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้ระบุถึงช่วงเวลาที่ชัดเจนนะแต่ว่าสังเกตจาก Conversation คือการคุยกันการตรัสคุยกันของอ้าวยังคุยกับพระสารีบุตรอยู่ยังคุยกับพระเจ้าประเสนทิโกศลอยู่พูดถึงเรื่องอายุพูดถึงเรื่องอะไรแสดงว่าในปีเดียวกันนั้นแหละที่จะมีะเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นค่ะก็คงจะทําทให้ คนที่อยู่รอบๆข้างและศรัท ธ, ธาในท่านทั้งหลายเหล่านี้มีเกิดความสลดใจพอสมควรทีเดียวนะค ะ, ะ <c oughs> แล้วนี่ก็ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ยนี้ก็คิดว่าสามารถตอบปัญหาอ๋อคะ่ะคือวันนี้จะเล่าเรื่องนี้เท่านี้ก่อนอะนะคะเรากำหนดว่าเนื่องจากเป็นสัปดาห์ที่คนไทยไม่ค่อยจะสบายใจ และจริงๆแล้วเนี่ยเราทํารายการล่วงหน้านะคะต้องกราบเรียนอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสถานการณ์เนี่ยไอที่เขากังวลกังวลในทางที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดหรือเปล่าหรือว่าอาจจะตกลงกันได้เรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> ก็พูดเป็นหลักการกว้างๆไว้กันแล้วกันนะคะ uh. ถ้าอาจารย์คดิฉันเองสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของอวิธีการที่จะทําให้บ้านเมืองอยู่สุขสงบร่มเย็นเนี่ย ในเมื่อสมัยพุทธกาลก็ตามทีเนี่ย น, นะคะก็มีการเอ่ยถึงผู้ปกครองจึงอยากทราบว่าทำทั้งหลายที่จะทำให้คนอยู่กันอย่างสุขสงบสันติร่มเย็นเผื่อจะนำเอามาใช้บ้างพระพุทธองค์ตรัสไว้เช่นไรคะตรัสไว้มากเลยมากมายมากๆเลยทาที่จะทำให้คนอยู่เป็นสุขสงบร่มเย็นเนี <c oughs> เ่ยเขา เอาแค่ ง, ง่ายๆเอาง่ายๆก็คือเมักแปดอย่างเงี้ยก็คือรวบรวบหมด <Okay. S 1> ใช่ไหม ย, อ า, อยาด่ากันอย่างว่ากันใช่ไหมพูดแต่สัมมาวาจาอย่างนี้ก็แหละหรือว่าเอาเป็นคนมีศีลแต่ถ้าคนที่มีศีลเนี่ยทุกคนมีศีลหมดคดีความในศาลนี่ลดลง 70% มีเคยมีอผู้พิพากษามาพูดกับมาอยู่ 50-70% ลดได้แน่นอนถ้าแค่ศีลห้าทุกคนมีศีลห้า okay. อ่าแล้วก็ยังคุณธรรมต่างๆอย่างคนที่มีศรัทธามีจาคะมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็เป็นคุณสมบัติของคนที่เป็นคนดีควรครบด้วยค่ะถ้าจังคะทีนี้มีมีประสบการณ์อ่านหนังสือตันานมาแล้วนะคะเรื่องของรัฐศาสตร์เชิงพุทธนะคะท่านพอที่จะหยิบยกออกมาในช่วงนี้เลยได้ไหมค ะ, ะการรัฐศาสตร์ก็คือการปกครองถูกไหมค่ะ การที่ศึกษาศาสตร์เกี่ยวก็เรื่องการปกครองของรัฐอะไรต่างการที่คิดดูนะองค์กรไหนในโลกนี้ถามง่ายๆองค์กรไหนในโลกนี้ที่มีอายุยืนยาวนานถึงขนาด 2,500 กว่า ป, ปีคแล้วก็อ่าเขาเรียกว่ารัฐธรรมนูญในการปกครองเนี่ยก็ยังอยู่ชาวโลกก็ยังมีอยู่แล้วไปได้ทั่วประเทศทุกประเทศทั่วโลกไม่มีใครที่เรียกว่าไม่ตอบรับอย่างที่เราเรียกว่าสุดโต่งนะ ก็คือองค์กรที่เรียกว่าเป็นธรรมวินัยนี้เท่าเท่ากับว่าศาสนาพุทธนี่ปรากฏเห็นเด่นชัดเลยว่านอกเหนือจากเรื่องของพระธรรมแล้วพระวินัยเนี่ยอีกส่วนหนึ่งที่เป็นคำสอนเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกครองโดยตรงอย่างนั้นหรืออย่างไรคะใช่คนที่จะมาปกครองได้ันดับแรกก่อนค่ะพรุทธเจ้าบอกว่าตรถาถาคตเนี่ยตรัสอย่างไรทาอย่างนั้นทาอย่างไรตรัสอย่างนั้นคิดดูนะ ถ้าพระเจ้าอย่างท่าอยู่แล้วก็บอกว่ากุญญค่าอันนี้ไม่ได้เรื่องคถ้าบอกว่าอย่ากโกงแต่ตัวเองยังโกงอยู่อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องนี่เหรอไหมเพราะฉะนั้นพระเจ้าทำเองก่อนอา้าวเราไม่ด่าใครสาวกทําไม่ดีเราก็ไม่ว่าเราพูดเป็นไปตามถามอันไหนไม่ดีเราว่าไม่ดีอันไหนดีเราว่าดีแล้วก็บัญญัติวินัยออกมาคเราไม่ฆ่าเราก็บอกว่าเธออย่าฆ่าเราไม่ด่าใครเราก็บอกว่าเธออย่าด่าใคร เราอย่าด่าใครก็คือทําอย่างไรตรัสอย่างนั้นตรัสอย่างไรทําอย่างนั้นค่ะไม่ใช่แบบบางโรงเรียนคุณครูบอกว่านักเรียนอย่าสูบบุหรี่ออืพอเลิกเรียนปุ๊บครูรยืนสูบบุหรี่ <laughs> ให้นักเรียนดูยกตัวอย่างเล็กๆไหมคะค่ะเราคนที่ปกครองประเทศหรือคนที่เป็นเจ้าของบริษัทหรือว่าตัวเองอในครอบครัวง่ายๆเอ้อแม่กับลูกอย่างเงี้ยหรือว่าสามีภรรยาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเออ แม่บอกว่าลูกพูดจาดีๆพูดเพราะๆแต่แม่ก็ยังพูดคำหยาบอยู่มันก็ไม่ได้เรา<ช>ต้องทําเป็นตัวอย่างแม่เป็นยังไงลูกก็เป็นอย่างนั้นแหละแม่อาจจะบอกว่าแม่ผิดไปแล้วนะแม่ติดมาทั้งชีวิตแก้ไม่ได้ลูกเอ้แม่ก็ไม่อยากให้ลูกเป็นออันนี้ผิดเลยเป็นความเชื่อที่ผิดะอะไรที่ไม่ดีเราเลิกอะไรดีเราเอานึกออกไหมไม่อย่างนั้นเราจะปกครองใครไม่ได้ ได้ความเชื่อนี้เนี่ยเราถือมาตั้งนานตั้งแต่เด็กพ่อแม่บอกว่าเออเธอเป็นคนอย่างนี้เธอเป็นคนอย่างนี้เราก็เชื่อมาเชื่อมาแต่ว่าไอ้ความเชื่อเนี้ยจริงไหมค่ะอ่าเราก็ต้องฟังดูสิว่าเราจริงไหมอะไรที่มันไม่ดีเราก็เลิกซะอะไรที่เราก็เอาเองอะไรที่เป็นกุศลเราก็เอาเข้าอะไรที่เป็นอกุศลเราก็เอาออกนี่เป็นสัมมาวยายมะค่ะพระพุทธองค์ตรัสอย่างไรทําอย่างนั้นใช่อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เรียกว่าอ่า เนหลักการปกครองเขาเรียกว่าอะไรนะรัฐศาสตร์เชิงพุทธค่ะมีหนังสือเล่ม น, นี้จริงๆคะ่ะแต่อ่านมานานแล้วแล้วก็ <c oughs> เรียนลาง <c oughs> แต่มีการพูดถึงว่าจะแก้ปัญหาความยากจนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเท่าที่เคยอ่านเจอนะคะอื <c oughs> แล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าอย่างสมมุติการแก้ปัญหาในชาติเนี่ยในเรื่องของความยากจนความอะไรเนี่ยแทนที่เราจะออ่ ไปลงโทษคนผิดใช่ไหมเราเอาคนดีมาเชิดชูเรื่องที่ไม่ดีเราไม่ใช่ว่าไม่พูดเก็บไว้ก่อนเอาเรื่องดีๆมาพูดก่อนเอาเรื่องดีๆมาพูดคนไหนทำดีเรายกย่องมาลงหนังสือพิมพ์มาประกาศความดีของเขานะมีการให้รางวัลมีการยกย่องเชิดชูพอคนเห็นมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะต้องพยายามทำความดีเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สาคัญยิ่งสื่อก็ตามแต่ว่าด้วย ด้วยวิธีการไหนคือทางโตรทัศน์วิทยุต่างๆเอาเรื่องความดีของคนมาพุ่งใส่มากๆจะดีค่ะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งคือส่งเสริมคนดีดิฉันจําได้ว่ามีพระชดังกัมค่ะแล้วก็คือการที่อันนี้เป็นเป็นพุทธวัจนะที่พระองค์ได้ตรัสถึงการครั้งหนึ่งที่เป็นรามได้เสนอวิธีาการจะปกครองบ้านเมืองแก่กษัตริย์องค์หนึ่งนะว่าให้ทําแบบนี้คืออย่าไปทําลายคนไม่ดี อย่าไปลงโทษคนไม่ดีเพราะว่าก็จะมีญาติของเขาที่ไม่พอใจอยู่ให้ส่งเสริมคนดีพอส่งเสริมคนดีแล้วเนี่ยจะเป็นการกําจัดเสี้ยนน้าหลักตอนในแม่นแควนของพระองค์ได้ค่ะ น, นี่ก็เป็นมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลตอนพุทธกาลด้วยในเรื่่มีประชาติชาติหนึ่งที่ทรงเป็นพระามได้เสนอวิธีการปกครองแบบนี้สรุปแล้วก็คือว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นสามารถนำเอามาปรับประยุกต์ใช้ได้ใน การใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์ทุกๆด้านอย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่แน่นอนค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยท่านสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากพุทธวจนะจากพระโอษณะนะคะแต่ว่าในส่วนของรายการเราเราก็จะนําเอามาเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการจุดประกายให้ท่านทราบว่ามีอยู่นะสรุปแล้วเป็นอย่างนี้แต่เวลาเรามีจํากัดเราพูดได้เท่านี้ก็กําลังจะกล่าวเรียนท่านอาจารย์เหมือนกันว่าวันนี้พูดได้เท่านี้จริงๆค่ะ นะค ะ, ะวันพรุ่งนี้ยังมีอีกในสัปดาห์นี้ก็มาติดตามพระอาจารย์ไพบุญอภิปุโนในช่วงเวลาของเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะนี้ในวันต่อไปวันนี้น้มาศการขอบพระคุณท่านค่ะทล่นผ่านต้นฟังค่ะติดตามรับฟังรายการกันได้เป็นประจำวันละครึ่งชั่วโมงนะคะว้นเสาร์อาทิตย์แล้วดิฉันเองเชื่อว่าท่านจะพบความมหัศจรรย์ของคําสอนขอ ง, ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะในรายการเนี่ยเรามุ่งเน้นว่า อยากจะให้ท่านได้ศึกษาถ้อยคำของพระพุทธองค์โดยตรงเพื่อที่จะได้เป็นการไม่คลาดเคลื่อนนะคะแล้วก็อยากจะให้ได้ฟังถ้อยคำสํานวนซึ่งมีการแปลมาจากสิ่งที่สิทธิยานุสิตทั้งหลายนะคะสาวกทั้งหลายได้จดจำคำพูดของพระพุทธองค์เอามาถ่ายทอดกันแล้วก็สืบทอดมาถึงพวกเราทุกวันนี้ทุกคนจะได้เกิดความรู้สึกว่าโหเมื่อศึกษาถ้อยคาของพระพุทธองค์โดยตรงแล้ว เป็นอะไรที่มีคุณเป็นอนเนกแล้วไม่ใช่เรื่องที่เข้าถึงได้ยากอย่างที่เราเคยเข้าใจกันมาแต่ก่อนเลยเราจะได้มีโอกาสเป็นผู้หนึ่งนะคะที่หมุนธรรมจักรของพระพุทธองค์ให้เป็นประโยชน์แก่มหาชนสืบไปนะคะวันนี้เราลากันไปเพื่อที่จะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พุทธวัตดสวัสดีค่ะ